การที่เราฝึกหัดสมถะคือทำใจให้สงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกสงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆหรือตามเรื่องต่างๆใจเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้อยู่มีสติเห็นอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราทำจิตที่ไม่สงบให้เป็นจิตที่สงบหรือพูดภาษาธรรมว่าสมถะ คือทำใจให้สงบคิดว่าพอเพียงสำหรับที่จะฟังเรื่องวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาคือทาให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้อะไรตามความเป็นจริงรู้อัตภาพตัวตนของเรานี่แหละตามความเป็นจริงตัวเราประกอบส่วนด้วย ดินน้ำลมไฟตัวของเราเนี่ประกอบด้วยดินตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปหรือว่าผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตบปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตรอดถึงมันสมองศีษะอันนี้เรียวกว่าเป็นดินส่วนน้ำคือน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำามูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำ ลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าลมความออุ่นในร่างกายความเผาอาหารให้ย่อยความเผาร่างกายให้สุดโสมความอบอุ่นในตัวในตนหของเราอันนี้เรียกว่าไฟรูปร่างกายนี้ประกอบโดยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม ถ้าน้ำไม่พอน้ำหมดไปจากร่างกายของเราเช่นเป็นอะฮิวาเราตายได้ถ้าน้ำหมดเราตายถ้าดินแตกสลายก็ตายได้เหมือนกัน ลมไม่พอลมไม่มีลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกลมหายใจออกแล้วไม่เข้าตายเหมือนกันไฟก็เหมือนกันหนาวเกินไปไฟธาตุของเราสู้ไม่ไหวเช่นคนหนาวตายตามภาคต่างๆที่มีอากาศหนาวเช่นเชียงใหม่เป็นต้นหรือตามดอยตามภูเขา ความอุ่นไม่พอมันหนาวมากเกินไปก็ตายเหมือนกันพูดง่ายว่าคนเรานี่ประกอบด้วยธาตุสีนี่แตกสลายไปได้ตายได้ดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่เกิดจึงไม่ตาย แต่เราจะเข้าถึงความไม่เกิดได้ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวตนของเราเองให้สังเกตให้ดีตัวตนของเรานี่ไม่ว่าส่วนไหนก็ตามแตกสลายตายได้เหมือนกันหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความไม่เที่ยงให้เห็นกายนี้เป็นความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงไม่ยังยืนถ้ามันเที่ยงเราปฏิสนธิในท้องของมารดาเราก็ไม่ต้องออกมาสู่โลกภายนอกก็คงเที่ยงอยู่ในนั้นแต่นี่รอยเที่ยงมันแก่ขึ้นตามลาดับเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดแล้วคลอดจากคันมารดาแล้ว มันดามีเมตตามีดามีเมตตาเลี้ยงดูไว้ให้ข้าวให้น้าให้อาหารเราก็แก่ขึ้นตามลำดับจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ผู้รู้เดียงสาให้พี่นาเข้ามาที่ตัวเราเพราะเราี้มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายทุกคน ให้พี่น้าเข้ามาที่ตัวของเราเราจะต้องเป็นอย่างนั้นบ้างคนอื่นเป็นเรารู้สึกธรรมดาแต่ถ้าเป็นญาติเป็นพี่น้องเราก็เศร้าสศดใจถ้าเป็นเราบ้างก็เห็นแต่ทุกข์เกิดขึ้นให้เหน็นเหรอว่าแต่ทุกข์ว่าแต่ทุกข์การเายี่ยนไาวใจเกิดในว่าแต่สงสารนี่เป็นทุกข์ ให้เห็นไม่เที่ยงให้เห็นเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนาตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะยึดถือเอาได้ว่านี่ของเราจริงๆมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ในที่สุดก็ต้องสลายไปให้เราเห็นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องรู้ความจริงอันนี้ให้ได้ ก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้เราต้องรู้ความจริงเรื่องนี้ด้วยใจของเราเองให้เห็นว่าตัวตนของเรานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาให้เห็นชัดเจนลงไปนี่แหละให้เห็นเป็ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาในตัวตนของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตาปอดส้ใหญ่ส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้ทั้งหมด เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่ส่วนระยะหนึ่งแล้วก็ต้องแตกสลายไปให้เราดูเข้ามาที่ตัวของเราว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆินีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เราสังเกต ด, ดูสิตอนหนุ่มตอนสาวเราก็แข็งแรงพออายุหกสิบเจ็ดสิบปีไปแล้วมันแรงมันหมดละแรงมันหมดแล้ว จะยืนจะนั่งจะลุกจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ลำบากเราสิท้า น, นว่านางวิสาขาเรนรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นนางวิสาขาสี่ร้อคนลูกหลานห้อมล้อมไปลูกหลานเด่นสี่ร้อยคนไปกับนางวิสาขาไปวัดเจตวัน สังเกตไม่ออกเลยว่าใครเป็นนางวิสาขาเพราะนางวิสาขากับผมดำตลอดไม่ได้ยอมนะผมดำดูหน้าตาก็เหมือนเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวสังเกตได้อย่างนี้คือนางวิสาขาเวลาจะลุกขึ้นต้องค้ำพื้นก่อนโยกตัวค้ำพื้นแล้วค่อยลุกขึ้นนี่แหละ คนหนุ่มคนสาลุกขึ้นทันทีแต่เราสาขานี่เอามือค้ำพื้นล้วค่อยลุกขึ้นได้นั่นแหละสังเกตอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความไม่กิรังยั่งยืนของสังขารด่างกายอันนี้เกิดมาไม่ถึงพันปีร้อยปีกับทั้งยากอยู่แล้ว ร้ยปีก็ทั้งยากหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนี่มันล่วงหลนไปแล้วอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกินร้อยปีหรือเกินกว่าไปบ้างก็ายากหายากหายากด้วยเหตุ น, นี้เราจึงต้องเป็นผู้พิจณาให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป เขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปให้พิจารณาที่ตัวเราตัวเราในขณะนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ต่อสู้กับโลกได้อยู่อยู่ต่อไปในโลกนี้ยังพอไปได้อยู่อีกหกสิบปีข้างหน้าดูสิเราจะเป็นยังไงหน้าตาตัวตนของเรานี่เหียวย่นไปหมด หน้าเคยสวยก็ไม่สวยหน้าเคยงามก็ไม่งามตัวตนของเราก็เหมือนกันร่างกายทั่วไปก็ไม่แข็งแรงนี่แหละท่านในพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้เห็นว่าที่เรายึดเราถือเราสาคัญมันหมายว่าตัวเราของเรานี่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเหมือนฟองน้ำน้ำกระทบฝั่งเกิดฟองขึ้นมาเป็นตอมเล็กๆ เ, เล็กบ้างใหญ่บ้างอะแตกสลายไปอือแป๊บพอแป๊บพอแปะแตกไปขึ้นกระทบอีกก็เป็นอีก นี่คือของไม่แน่นอนเป็นของไม่ดังยั่งยืนเพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณาให้เห็นความจริงในตัวตนของเราว่าเหล่านี้จะยังยินดีครวบเกิดอยู่ไหมถ้าเรายังยินดีอยู่เราก็อยู่ในโรคนี้ต่อไปเกิดแล้วแก่เก็บตายไปอยู่เรื่อย ตลอดวัตจักสังวัฏรักวิวัฏจักตลอดแสนปีแสนกับโอ้โหมันนานแสนนานท่องเที่ยวอยู่ในวัฏอันี่มานานแสนนานแล้วเรานะแต่เรื่องนาจบุญกุศลทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีภาวนาบา ร, รมีที่เราเคยทำไว้ในอดีตโดนโนกดนใจให้เราได้มีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติ ได้มหาหัดใจของเราให้สงบให้รู้แจ้งธรรมะของพระพุทธเจ้านว่าเป็นโชคของเราเราได้เคยทําความดีไว้เราได้ทําบุญทานการกุศลไว้ถ้าเราไม่ได้ทํามันไม่เกิดหรอกสิ่งไหนก็ตามมันไม่เกิดถ้าเราทําไว้มันจึงเกิด ถ้าเราทำไว้แล้วมันเกิดมันมีขึ้นมาจะเป็นเงินทองข้าวของก็ตามที่เราทำไว้นั่นแหละจึงมาให้ผลแก่เราเป็นความสุขในปัจจุบันชาตินี้และในชาตินี้เราก็ไม่ผอมาัยังสั่งสมคุณงามความดีอยู่ใส่บาตร ท, ทาบุญสร้างกุศลสินทานสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำนั่นทานี้ได้บุญได้กุศลมาก เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีสำหรับเราให้เราไม่ยากจนค้นแค้นอนาถาเพราะเราได้ทำบุญนำกุศลไว้พอเราทำบุญนำกุศลได้ความสุขเกิดขึ้นแก่เราจริงๆไม่ว่าส่วนไหนก็ตามให้ทานข้าวนา้ำยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัยเงินทองเราทำไว้มันหนุน หนุนให้เราเข้าถึงอาจถึงธรรมของผู้ริเจ้าเร็วขึ้นควรจะช้าไปอีกสองกับสามกับหรือแสนกับวุญกุศลนนั้นมันแรงมันให้ผลเป็นปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเรามาปฏิปทารมก็ได้บรรลุมากคนเร็วเข้าออเงอ้ถ้าคนไม่กินไม่ทานไม่สร้างน้ำทวุลขี้เหนียวขี้ตนีมันไม่เกิดหรอก อยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดอยากให้มันมีมันก็ไม่มีอยากให้ร่าให้รวยมันก็ไม่ร่ำไม่รวยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะาเราไม่ได้ให้ทานไว้เราไม่ได้สละไว้เราไม่บริจาคไวถ้าเราบริจาคไวความนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นผลแห่งความสุขของเราหรือเป็นผลที่ให้ความสุขแก่เราสิ่งที่เราได้ทานไว้ได้ทาไวนั่นแหละ เราให้ทานมากก็ตามน้อยก็ตามเป็นบุญของเราถ้าเราไม่ได้ทํามันไม่เกิดบุญเกิดกุศลอะไรขึ้นมาหรอกไม่เกิดทําไมมันจึงไม่เกิดเอาเพราะว่าเราไม่ได้ทําทานไว้บริจาคไว้เราไม่ได้สร้างสมคุณกวามดีไว้มันจะเกิดได้ยังไงเพราะว่าฐานที่ตั้งของความร่ํารวยความมั่งมีสูสงมันไม่มีอะไรมารองรับไม่มีฐานรองรับคือเราไม่มีทานเลยท่านจึว่าให้ทาน ให้บริจาคทานให้สร้างน้ําทาบุญอย่าประมาทพ่ะบุณกุศลนั้นแหละจะให้ผลเป็นความสุขแก่เราอ่านดูในธรรมบทแทบทุกเรื่องคนที่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบคุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอาราหันต์เป็นผู้ได้บริจาคทานไว้เท่านั้นเลยได้ทำบุญกับผู้พุทธเจ้าบ้างได้ทำบุญกับพระปฏเจกจวุทธเจ้าบ้างได้ทาบุญกับพระอรหันต์ บ, บ้าง พุทธกุศลนั้นส่งผลให้ได้มากได้ผลในชาติปัจจุบันนั้นเลยนั่นได้เห็นมาเห็นผลเห็นทางพ้นทุกข์ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในการให้ทานคนจะร่ําจะรวยก็เพราะได้ทําบุญทําทานไว้คนที่ไม่ได้ทําบุญทําทานไว้จะร่ํารวยได้ยังไงจะมั่งมีสิสุไตรไงมีไม่ได้เพราะไม่ได้ทําไว้ด้ยเพราะไม่ได้ทําบุญทํากุศลไว้ไม่ได้ทําทานไว้ ท่านจึงให้ทําอย่าประมาทในการให้ทานเพราะเรามีความสุขในปัจจุบันนี้ก็เพราะเราได้บริจาคทรัพย์ทำความดีไว้นั่นเองเราให้ทานไว้นั่นเองมันจึงให้เกิดความสุขความเจริญอยู่เดียวนี้คนมีความสุขได้ก็เพราะทําบุญทำกุศลไว้อยากมีเงินมีทองอะไรทําบุญทำกุศลไว้ก็เกิดเงินเกิดทองอยากมีข้าวมีของก็เพราะได้ทําบุญทำกุศลไว้มันถึงเกิด ถ้าไม่ทําไว้ไม่เกิดหรอกทำไมก็ไม่เกิดอืยิ่งหมดไปหมดไปอ่อนกำลังลงลงเหมือนเหมือนแสงไฟนี่เทียนมันหมดไปหมดไปหมดไปเราหยุดครั้งแรกมันก็เป็นเล็บอยู่เล็บยาวอยู่ไหมเข้าไปไหมเข้าไปนานเข้านานเข้าก็ค่อยสั้นลงสั้นลงไสเทียนก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ า, นขาจนถึงพื้นที่รองรับมัน น้ำตาเทียนก็หมดไปไส้มันก็หมดไปนี่เป็นอย่างนี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแต่ถ้าเราทำนำกุศลไว้มันก็ได้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้ไปสู่พรหมโลกก็ได้ปฏิวัติทําให้ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้เกิดจากอุน่นจากกุศลที่เราทำบุญนำกุศลไว้ต่างตง ถ้าใครไม่ได้ทำบุญกุศลไว้จะให้มันเกิดมันเกิดไม่ได้หรอกข้อบุญกุศลไม่มีบารมีไม่มีความดีไม่มีเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้นี่แหละท่านที่ว่าให้ทานคุณสำเร็จด้วยการให้ทานคุณสำเร็จด้วยการรักษาศีลคุณสำเร็จด้วยการภาวนาคือปฏิบัติสมาธิปัสนาอันนี้เทศให้ฟังว่า คนที่ทำบุญทำกุศลนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกได้คนไม่ทำบุญทำกุศลมันจะพ้นจากทุกได้ยังไงพ้นพ้นไม่ได้อจะให้เป็นคนร่ำรวยก็ไม่ได้จะเป็นคนมีมากมีผลขึ้นมาก็ไม่ได้มีตัวอย่างเยอะแยะเลยยิ่งอ่านไปยิ่งซึ้งในรัระธรรมในธรรมบุตะ คนบางคนเกิดมายากจนมากไม่ได้กินได้ทานเป็นคนชายเขาอยู่ในบ้านรับจ้างเขาแต่ในที่สุดได้เจอพระปฏิจเจกพุทธเจ้าเกิดพอดีมีเครื่องไทยทานก็ตัดสินใจทำบุญเอากุศสวนไปก็เกิดมีเงินมีทองขึ้นมาได้รับเกียรติรับยศรับความสุขความเจริญอันนี้เป็นน่าสัจจ์มากผลของทานนั่นแหละเราต้องให้เราต้องทา ใครได้ทำทานไว้จึงจะมีความสุขคนไม่ได้ทำไว้ไม่มีความสุขหรอกท่านจึงให้ทำบุญทำกุศลไรอย่าประมาทนี่แหละเราจะพิจนามให้เกิดมากเกิดผลมันพิจนามไม่ได้เพราะฐานรองรับคือบุญกุศลในมีมันก็ไม่ได้ปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่ไม่น้อมไปเพื่อ ก, การสละลง ซึ่งวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองเราไม่ได้ทำกุศลไว้มันไม่เกิดเกิดยากมากจะได้อะไรสักทีหนึ่งก็ทั้งยากจะมีอะไรสักครั้งหนึ่งก็ทั้งยากเพราะอะไรเพราะบุญทานการกุศลของเราไม่มีท่านจึงให้ทำอย่าประมาทในการทำบุญทำกุศลอย่าคิดว่ามันไม่จำเป็นเออไ้คิดว่าเราทำเอาเพื่อเราเราทำให้เราเอง เราทําให้ของเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเราทําให้เราเองสิ่งที่เราทําไว้นั่นแหละเราถึงจะเอาไปได้สิ่งที่เราไม่ได้ทําไว้เอาไปไม่ได้ทำยังไงก็เอาไปไม่ได้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตามถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอย่างไรเราก็เอาไปไม่ได้เงินอทองเหล่านั้นก็ตกเป็นของลูกของหลานต่อไปของคนอื่นต่อไปเขาได้เสวยสุขแต่เราเสวยทุกข์ เรากเราไได้ทำบุญทากุศลไว้ถึงจะมีมากก็ตามมีก็ไม่น่าอัศจรรย์ถ้าทำบุญทำทานไว้นานน่ยน่าอาัศจรรย์มากก็ตามน้อยก็ตามตามกำลังสตาของเราตามกำลังทรัพย์ของเราเราได้ทำไว้น้อยเดียวก็ยังมีผลมีผลเป็นความสุขอินทกาเทพบุตรและอังกุรเทพบุตรอินทกาเทพบุตรได้ใส่บาตรพระอนุรุทธะ ครั้งเดียวพระรูทะเป็นท่านเป็นพระอรหันต์มีตาทิพย์ใส่บาตรครั้งเดียวก็ไม่ได้ทําบุญอื่นทํากุศลอื่นเลยตายไปปับ๊บเวลาพระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมปูดพระมารดานั่งอยู่ข้างขวาพระพุทธเจ้าขั้นระหว่างพระมารดากับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างขวา อินทกาเทพบุษนะนั่ง ข, ข้างขวาไม่ได้ถอยออกไปเลยเทพเทพวดาที่มีวุญญาธิการเหล่านั้ น, เ ห, น, นเหล่านั้นมาแล้วอินทกาเทพบุรก็ไม่ได้ถอยหนีไปส่วนอังกุรเทพพบุรนั้นในชาติอดีตได้ตั้งเต้าถายทานให้แก่คนยากจนอนาถา อาหารที่พึกงไม่ได้ไม่มีมักไม่มีผลไม่มีคุณธรรมเลยคนเหล่านั้นมากินมาใช้ตั้งเตาที่บริจาคทานนั่นที่ทำอาหารแจกไกลถึงสิบสองโยชน์อยู่ตั้งสองหมื่นปีตลอดเวลาสองหมื่นปีน่อายุคนยืนยาวป่านนั้นให้ทานป่านนั้นตลอดเวลาจนชาวชมพูทวีปไม่ต้อง ไถไม่ต้องคาดไม่ต้องทำอะไรทำหนามากินทานของเขาเขาให้ทานตลอดจนอายุไขของเขาเวลาตายแล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์เมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดพอมันดามานั่งอยู่ข้างซ้ายเทวดาอื่นผู้มีสักดานุภาพมาต้องถอยออกไปตั้งสิบสองโยชน ผนทานที่ให้แก่ผ้าดิญบุคคลแรงมากแต่ฟังตามพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นโซดาบันทั้งสองติวดานั้นน่แต่ว่าอำนาจของบุญผู้หนึ่งให้ข้าวทัปีเดียวข้าวทัปีเดียวเท่านั้นมีบุญมีกุศลมากมายถ้าเรททาบุญมากกว่านั้นทำไมจะไม่เกิดบุญเกิดกุศลละ่ะมันต้องเกิด แต่ว่าทักขิณายบุคคลที่เป็นนาบุญของโลกนี่ถ้าเราได้นาบุญของโลกเราก็ได้บุญได้กุศลมากได้พลานิสง์มากการให้ทานนะได้บุญได้กุศลได้อา น, นิสง์มากให้ความสุขแก่เรามากมาย เราทำเอาไว้มันจึงเป็นของเราถ้าเราไม่ได้ทำเอาไว้มันไม่ได้เป็นของเราเหรอกเราจะมีปัจจหยก็ตามถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญนำอุญส่วนไปอันนั้นยังไม่เป็นของเราไม่สามารถติดตามเราไปสู่สัมปลายาภพได้เพราะว่าคนเรายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้มีบุญยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือสำเร็จเป็นสุราัน การเกิดตายก็ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราทําบุญไว้เราก็มั่นใจว่าเราจะต้องไปสุคติสวรรค์นี่มันเป็นอย่างนั้นจึงว่าคนที่ทําความดีไว้เนี่ยมันไม่ตกต่ํามันเป็นความสุขความเจริญของเราเราสร้างสมบมัตมีบุญกุศลให้เราไม่ได้ทําให้เพื่อคนอื่นเราทําเพื่อตัวเราเราทําให้เราเอง มากก็ตามน้อยก็ตามนั่นแหละคือส่วนที่เราจะได้ไปติดจใจของเราไปทุกภบทุกชาติทุกกับทุกกันต่อดตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานก็เพราะบุญเพราะกุศลที่เราทำไปนั่นแหละพระนรทานจึงไม่ให้ทอดทิ้งการให้ทานให้ทานไว้คนถึงจะมีความสุขได้เราจะมีความสุขได้ก็เพราะให้ทานไว้ถ้าไม่ทำความเสียสลาไวนี่ มันไม่ได้บุญได้กุศลอะไรเลยเรามีก็ตราบ ม, มีก็ไม่เกิดความสุขไม่ผลเป็นความสุขตกเป็นสมบัติของคนอื่นเราหาอย่างตลอดเวลาเลยสะสมไว้สะสมไว้เราไปบริจาคไว้เลยพอตายแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันเป็นตกเป็นของคนอื่นเราจะมาแก้ไขอะไรไม่ได้เลย นั่นเนื่อานว่าเราทำไว้ให้กับเราถ้าเราไม่ทำมันก็เป็นของคนอื่นเป็นของคนอื่นของลูกของหลานของญาติเรามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาพอใจเขาก็ทำบุญให้เขาไม่พอใจเขาก็ไม่ทำให้จะไปรอให้เขาทำให้ไม่ได้หรอกเราต้องทาของเราเองเราต้องทำเอาเอง เราต้องทำเพื่อเรามากก็าตามน้อยก็าตามเราทำเพื่อเราอย่ารอคิดว่าเออคนอื่นจะมาให้ความสุขแก่เราทาบุญทากุศลให้เราสร้างบารมีให้เราสร้างความดีให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาให้เราไม่ได้หรอกเราอยาคิดเลยจะให้เขาสักร้อยล้านนี่เขาก็ไป ซื้ออยู่ซื้อกินธรรมดาของเขาไม่ทาบุญให้เราเหรอกหายากละคนที่จะมาทําเพื่อเราเนี่ยท่า น, นแหละเราเกิดมาแล้วเราจึงต้องทําเองทําเอาเราทําไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือบุญของเราเราไม่ได้ทําไว้มันไม่เป็นบุญของเราไม่มีความสุขแก่เรามันเป็นของคนอื่ น, น, นท่านจึงให้ทําให้ทําบุญทําอุศนไว้ให้สั่งสมบารมีไว้ ให้ทำความดีไว้ก็ให้ให้ตัวเราเองนี่แหละเราถึงจะมีความสุขความเจริญเราถึงจะได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้เพราะวุญกุศลนั่นแหละมันจะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาให้มองเห็นอดเห็นธรรมให้รู้ว่าโอ้อันนี้ทางพ้นทุกอันนี้ทางไม่ใช่พ้นทุกอันนี้ทางตันอันนี้ทางสว่า ง, นนา ง, างให้เห็นดีเห็นชอบเห็นเป็นสมมาที่ เห็นว่าตัวตนของเรานี้เราเอาไปด้วยไม่ได้ยังไงก็ต้องตายแน่นอนแต่ตายแล้วก็ยังอยู่ในโลกนี้แหละเขาเผาเขาฝังเขาเก็บไว้กองกระดูกก็อยู่ในนั้นแหละไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราตายแล้วเราก็หมดหมดความหมายสำหรับโลกตายแล้วเขาก็เอาเผาก็รู้กันแต่ชั่วอายุของคนนี่แหละว่าเท่านั้นเท่านี้เออ คนนั้นมีอายุเท่านั้นตายอย่างนั้นนี่แรกๆนี่ก็รุ่นเดียวกันก็พอรู้จะต่อไปเวลาเท่าแก่ตายไปแล้วโน้นเราเป็นไปเทวดาวเป็นเทวดาแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้เราได้ทําบุญกุศล น, น, นี้ไว้บันทึงได้มาอยู่อย่างนี้นั่นเราคิดจะจะมาทําอีกมันก็ยากจะมาทํำยังไงอเราเป็นเทพเป็นเทวดาไปแล้วเราจะมาทํำยังไงแบบนี้ จะมาให้ทานรักษาศีลความเป็นธาวนามันก็เป็นเรื่องของเทพเทวดามีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ในสวรรค์สันดาวดึงเราไปเกิดอยู่ดาวดึงตั้งพันปีทิพพันปีทิพเราถึงจะได้ลงมาเกิดในมนุษย์ร้อยปีเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาสั้นดาวดึงนั่นร้อยปีในมนุษย์เนี่ยเท่ากับวดาวดึงคืนหนึ่งของเทวดาสันดาวดึง ลองคิดดูสิฮั่นแหละเราไปเสวยสุขอยู่ในทิพย์สมบัติเป็นพันปีทิพย์น่ะไม่ใช่น้อยน้อยเพราะบุญทานการกุศลที่เราทําเอาไว้นั่นแหละมันถึงให้ความสุขถึงป่านนั้นให้มีความสุขความเจริญถึงป่านนั้นพระพุทธเจ้าแต่สรู้ไปสัพระองคสามระองค์เราก็ยังไม่ลงมาเกิดเรายังได้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์พอบุญทานการกุศลของเราเอง แม่พระอินองค์ปัจจุบันที่อยู่ในสวรรค์สันดานวดึงนี้ก็ได้ทำบุญทำกุศลไว้ทำความดีเอาไว้สร้างสลาไว้สร้างออที่พักไว้สำหรับให้คนได้พักค่าอาศัยนั่นในวุนได้กุศลได้บารมีมากได้ใสาบาทพระมหากาัสปาซึ่งออกจากในโลดสมาบัตเป็นพระอินเก่มาใสาบาท กับนางสุสาดานมาสซบาท์พระมหากรัมมาิไธีละได้บุญได้กุศลนั่นแหละและได้บรรลุโสดา บ, บันได้บรรลุโสดา บ, บันกลายเป็นเทวราหนุม่มฟังเทศของพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดา บ, บันกลายเป็นเทวราหนุม่ม เป็นพระ อ, อินหนุ่มอยู่ปัจจุบันนี้ก็ อ, อยู่ไปอีกนานแสนนานวะนี้นั่นแหละบุญกุศลเนยใส่บาทพระมาหากรุณาเิร ะ, ะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระสุรบันธิราพระพุทธเจ้าจะบรินีผ่านก็บางคนหนักบางคนเบาที่พระพุทธเจ้าถ่ายโอ้ยพระ อ, อินนี่เอา ตั้งไว้บนศีรษะเลยตั้งไว้บนหัวเลยนั่นเอาไปเทไปล้างไปขัดไม่ต้องเกียดโรษที่เจ้าเลยนั่นดูสิขอบุญทานการกุศลนั่นแหละให้เกิดความสุขความเจริญให้ได้ดีได้ดีแล้วโอ้ยทำไมเนาะมันถึงขัดข้องแล้วเกิดงานการนันนี้เป็นเพราะอะไร ถ้าเราได้ทาบุญปั๊บมันทะลุทะลวงไปได้เลยสิ่งมันยากกับเป็นสิ่งง่ายการให้ทานนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่เราการไม่ได้ทำบุญทากุศลไว้เราไม่ได้ความสุขหรอกเราไม่ได้ความเจริญหรอก เราต้องทำบุญทำกุศลไว้มันถึงจะเกิดอย่างเดียวนี้แหละเราก็ทำบุญอยู่เราทำอยู่บุญด้วยการภาวนาแต่ไม่ใช่บุญด้วยการให้ทานแต่เราทาบุญรักษาศีลทาบุญในการภาวนาการภาวนาก็เห็นตามความเป็นจริง ถ้าวีปัสสนาแล้วก็หเห็นตามความเป็นจริงให้เห็นว่าตัวเราของเรานี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะรอว่าเราแก่แล้วค่อยทําเถอะบุญทานการกุศลนี่เราค่อยทําแก่แล้วค่อยมาหัดสมาธิแก่แล้วถึงมาให้ทานมันจะทันเมื่อไหร่ไม่จะทันได้ไงเราจะทันได้แก่หรือเปล่าเรากําหนดไม่ได้เลยว่าเราจะไปจากโลกนี้เวลาไหนวันไหนเดือนไหน ว, วินาทีไหน เราก็าหนไม่ได้เลยเราว่าเราจะอยู่เป็นร้อยปีน่นโอ้ยอย่าไปคิดเลยว่าเราจะอยู่ถึงร้อยปีมันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เลยเราต้องรีบทำความดีให้กับเราอาตมาถึงนพูดเรื่องทานเลคนเราไม่คิดว่าโอ้ยการให้ทานจะมีอันนี้สศงมากมันมีอันนี้สศมากนะมันหนุนให้เกิดบรรลุมรรคผลได้ ให้เกิดความสุขความเจริญได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมขอพาะได้ทําบุญอกุศลไว้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญอกุศลไว้จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ยังไงจะเห็นได้ยังไงเพ่อบุญกุศลเราไม่มีพระแต่ละองค์ที่ท่านได้สับริมีบุญกุศลแต่อดีตหนุนมาตลอดปัจจุบันก็ต้องทําอีก ไม่ได้ทอได้ถอยยิ่งสําเร็จแล้วก็ยิ่งต้องทําอีกเห็นอา น, นิสงส์เห็นความดีโอ้ยพออกพอใจเลยเกินนั่นแหละมันจึงหนุนให้เกิดว่าพิจารณาเห็นความิดห้ด้แลพิิจจาาารรณเ็นควมงชัดเจนขึ้นมาในใจของเราว่าตัวเรานี้มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดา ครว่าธรรมดาก็คือเสมอกันหมดนะในโลกนี้นะ่ะแม่หมูม้มากาไก่ก็เหมือนกันก็ตายเป็นเหมือนกันเกิดมาแล้วก็ตายตายเหมือนกันคนเรานี่ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเก็บความตายเือนกันก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้เราต้องทำความดีให้เกิดขึ้นไม่ว่าให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามให้เกิดขึ้นในเรา เช่นอย่างเราภาวนานี่วันนี้สำหรับวันนี้เวลานี้เราต้องการในเห็นว่าความจริงของชีวิตนี่มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราย้อนเข้ามาที่ตัวเราเราเอาสติที่ที่เอาใจที่สงบนะที่มีสติควบคุมอยูนะ่เอามาพิจารณาไปตามร่างกายของเราให้ไหลไปโอ้อันนี้กระดูกแขนอันนี้กระดูกขาอันนี้กระดูก สี่โคงอันนี้กระดูกหลังอันนี้กระดูกศีรษะอันนี้กระดูกข้าแข้งอันนี้กระดูกมืออันนี้กระดูกเา้าพิจารณาไปพิจารณาไปให้ไล่ไปดูพอเราพิจารณาไปเราก็จะคอยเห็นชัดลงไปเห็นชัดลงไปโอ้มันเป็นอย่างนี้เองอแต่เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งได้ก็เพราะมีบุญมีกุศล น, นะอย่าดนทั้งหลายนะ มีบุญมีกุศลมันถึงจะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาอย่าว่าเป็นของธรรมดามไม่เป็นของธรรมดาสำหรับนั่นหรอกสำหรับคนผู้ประผู้ประมาทแล้วนั่นไม่ใส่ใจหรอกเรื่องอย่างนี้นะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจำเป็น กับเราเองแต่ผู้ที่ฉลาดผู้เป็นนักปราชญ์ผู้เป็นมัณฑิตย่อมรู้ย่อมเข้าใจย่อมรู้แจ้งเห็นจริงให้พิจารณาลงไปในตัวเราเนี่ยแหละเรื่องทางกงงนก็พูดให้ฟังแล้วเรื่องศีลก็พูดให้ฟังแล้วคือให้รักษากายวาจาใจของเราไม่ให้มีโทษห้าทาง8ปทาง สิบทางสองรอยบเจ็ดทางไม่ให้มีโทษนั่นแหละเรว่ารักษาศีลคือรักษาความดีไว้ไม่ให้ตกไปสูญไปแต่ที่นีมาถึงการภาวนาบน้าน้ภาวนาก็ให้พิจารณาให้กิตเอาข้างแรกก็ให้บริกรรมเสียก่อนคือกาหนดลมหายใจเข้าออกิตเราก็สงบสามวันนี้สงบแล้วนี่สามวันนี้สงบแล้วใจเราสงบแล้วย็นสบายแล้วบน้น เราก็พิจารณาสูงขึ้นไปก้อนนี้นอีกว่ะนี่ทำสูงขึ้นไปกรณนนี้น ก, ก็คือพิจารณาตัวตนของเรานี่ยให้เป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่ใจเราก็จะวางความยึดมั่นถือมันในตัวตนเรียกว่าลัศกายะที่ตีได้คือไม่หลงว่าเรานี่เป็นตัวเป็นตนของเรายิงตลอดไปตายแล้วก็ไม่ไม่ได้แล้วต้องกลับมาเกิดกับ ต้องเกิดขึ้นใหม่ได้อะไรเงี้ยวันที่ขอเข้าใจกันอยู่บางคนตายแล้วก็เอาไปเก็บไปฝังไว้วันสิ้นโลกใหเอาน้ำมนมาของพระเจ้ามาหยดใส่ก็จะฟื้นเป็นตัวตนขึ้นมาขอนไม้แห้งมันจะามาปลูกให้เป็นต้นได้อย่างไรตายแล้วมันก็เป็นกระดูกเป็น เหลือแต่กระดูกให้เห็นเหลือแต่กระดูกให้เห็นมีแต่กองกระดูกเรืออยู่ถ้านานๆานปีไปหลายร้อยหลายพันปีไม่รู้กระดูกของใครเห็นไหมบ้านเชียงไม่รู้ว่าเชื่ออะไรไม่รู้ว่านามอะไรโคตรอะไรไม่รู้จักเห็นแต่กองกระดูกอยู่เต็มไปหมดในเตาม้อะนะที่บ้านเชียง น, ะนั่นแหละ เดี๋ยวเท่านั้นแหละไว้ส่วนใจเราไปสู่ความดีความสุขแล้วเพราะเราได้ทำความดีไว้ไม่อยู่หรอกมันล่นไปสู่ความสุขความเจริญนั่นไม่ได้ห่วงหรอกกองกระดูกอันนี้มีแต่อยากทำให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าได้บรรู้มรดกก็ยิ่งสบายเลยยิ่งสบายยิ่งตายแล้วไม่ต้ตกไปสู่อบา ย, ยาภูมิให้สรบันปะตายแล้วไม่ไปสู่อบา ย, ยาภูมิ มันละได้ละส ก, กายยะทิฏฐิได้ละวิกิกริชชาได้ยาศีลปะตับปรามาตได้มันละได้ที่เรถือตั ว, ต, วตัวตนของเราของเราเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ของเราจริงๆเรวว า, ายอาศัยยืมเขาใช้อยู่ส่วนระยะกาลอันหนึ่งเท่านั้นเองในที่สุดก็แตกสลายขึ้นก็ไปสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟตามเดิมเหมือนเก่านี่มันเป็นอย่างนี้ ให้พิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราให้เห็นเป็นโครงกระดูให้ไม่ต้องยึดต้องถือออกมาเป็นของเราอีกต่อไปให้รู้ชัดขึ้นมาในใจของเราว่านี่มันต้องเกิดขึ้นนี่มันตั้งอยู่นี่มันดับไปนี่ให้เอาสติคุมจิตดูไปตามร่างกายของเรา นี่กระดูกกระดูกซี่โครงกระดูกหลังกระดูกต้นคอกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกขากระดูกเท้า มีทั้งหมดสามร้อยท่อนให้พิจารณาพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของเรานี่แหละจิตบริสุทธิ์ให้ทานก็บริสุทธิ์รักษาศีลก็บริสุทธิ์ภาวนาปฏิบัติได้มกักได้ผลก็ยิ่งบริสุทธิ์มากนั่น ให้คิดบริสุทธิ์ให้พิจารณาไปให้เห็นตามความเป็นจริงในที่สุดก็ไม่มีอะไรที่เข้าไปยึดถือเอาได้เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปนี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาในตัวเราให้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงประจักษ์ ในตัวเราว่าเป็นอย่างนี้แหละนี้จากความเป็นอย่างนี้ไปไม่พน้นเราจะต้องเกิดแก่เก็บตายนี้อีกนับภพบนับชาติไม่ท้วนตามใดที่เรายังประมาทอยู่เรายังไม่มีมากไมีผลนี่เราจะเกิดแก่เก็บตายอยู่เรื่อยไปโอกาสที่จะพ้นจากกองทุกข์ไม่รู้เมื่อไหร่บุญกุศลของเรามีมากน้อยแค่ไหนที่เราจะได้เกิดในมนุษย์ ได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่เราจะได้อย่างนั้นได้โอกาสเช่นนั้นแต่เราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทำอยู่ทุกวนันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายง่ายไม่ใช่ของง่ายไม่รู้เมื่ อ, อไหร่โอกาสไหนเราถึงจะได้นี่เราได้มาทำขนาดนี้ถือว่าเป็นโชคลาภของเรานนะนี่เป็นบุญเป็นกุศลของเรานั้น น, น, น, นี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นความดีของเร า, าจริง เราโชคดีจริงๆเราได้มีโอกาสมาปฏิบัตินี่นี่แหละมันเป็นโชคเป็นลาภของเราถ้าเราปฏิบัติได้มักได้ผลก็ชื่อว่ า, ายิ่งเป็นโชคใหญ่ลาภใหญ่ของเราเลยชีวิตนี้เรามีความหวังไม่เกิดมาตายเปล่าเราได้ความสุขความเจริญอย่า ง, ทงแท้แ น, น, น่นอนนี่แหละจะเป็นโชดารันก็ตามสกิทาคานาคารอาหารก็ตามขอให้มันได้ คือว่าเราโชคดีโอกาสเช่นนี้หาได้ยากอย่างญาติโยมจะมาแต่ละคนนี่ไม่ใช่ว่าเตรียมตัวเป็นวันสองวันแล้วก็มาเลยใช้เวลาอยู่เป็นหลายเดือนหลายปีหาโอกาสหาจังหวะหาช่องทางที่จะมาทําสมาธิปัสสนามีกเล่นปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะได้มาบ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาแล้วขอให้เราได้ มีมรักมีผลมีคุณธรรมขึ้นมาก็จึงกณนับว่าเป็นการดีแล้วถ้าเราสามารถทําได้ในปัจจุบันนี้แล้วเราได้มรักได้ผลนี่ถือว่าโชคดีของเรานี่แหละเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้มรักได้ผลก็ดูที่ใจของเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนมันละความโลภความโกรธความหลงได้ไหมถ้ามันละได้ก็แสดงว่า น, นั้นถูกต้องแล้ว ความโลภเราก็ละได้ราค้าเราก็ละได้โทสะเราก็ละได้โมหะเราก็ละได้เราละได้หมดเราไม่มีโลภโกรดหลงเลยไม่มีราค้าตัณหาเลยในกิรเรานั่นกิรเราบริสุทธ์และเป็นพระอรหันต์เลยถ้าไม่มีโลภมีโกรดมีหลงไม่มีราค้าตัณหาในใจเราก็ถึงที่สุดของทุกข์ละโคจกทุกข์เลยนี่แหละ ทุกคนจะได้ไปเป็นพระอรหันต์หมดแหละแต่ว่าไม่ใช่วันนี้พวกนี้มันต้องไปหลายภพหลายชาติต้องเกิดแก่เก็บตายอยู่หลายภพหลายชาติเราก็ค่อยจะละเอียดลงละเอียดลงทําความดีไว้ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละแต่ว่าเราโชคลาภในคราวนี้โอกาสนี้นี่มันดีที่สุดแล้วที่เราได้มาปฏิบัตินี่ก็ทํากิจของตนให้สงบอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ได้อยู่แล้วนี่ทำได้ทําเป็นอยู่แล้วนี้ ต่อไปก็สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกเราก็ต้องทอาําเราเราต้องปฏิบัติเราอย่าได้ท้อถอยว่าโอ้เรามาแล้วเหนื่อยเมื่อยงั้นนี่อย่าไปคิดเพราะว่าความเหนื่อยความเมื่อยมีกับทุกคนเปลี่ยนแปลงไปหน่อยมันก็หายไปยืนานานมันก็เป็นทุกนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกนอนนานนานยืนนานนาเดินนานนานมันก็เป็นทุกให้เราพิจารณาเห็นความไม่จริงอันนี้นี่แหละ ความไม่จริงอะไรความไม่จริงของสังขารร่างกายแต่เราพานั่งนานมันก็เหนื่อยก็เมื่อยเราพายืนนานมันก็เหนื่อยก็เมื่อยเราพานอนนานนานมันก็เหนื่อยก็เมื่อยพานั่งนานนานมันก็เหนื่อยก็เมื่อยนี่คืออาการของสังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้ทันมันเพราะมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้นี่ให้รู้ทันมัน บุญกุศลของเรามีอยู่ทําไมมันจะไปไม่ได้ทําไมมันจะไม่ได้เรามีบุญมีกุศลอยู่เรามีความดีอยู่ทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็ปฏิบัติอยู่ทําไมมันจะไม่ได้คนอื่นยังได้เราทําไมไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนหะมันต้องรู้จักพิจารณาถึงความจริงให้สังเกตดู ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปไม่มีอัตตาไม่มีมันไม่มีมันเป็นอนตัตตาอัตตาไม่มีมันเป็นอนตัตตามันเป็นของไม่กีรังยั่งยืนมันไม่ของมีตัวมีตนมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเราจะว่ายา เก็บน้ำมันก็เก็บแล้วว่าอย่าตายนะมันก็ตายให้เราพิจารณาความจริงอันนี้เราจะปล่อยวางได้เราจะละได้เราจะเพิกถอนได้เราจะหมดความทุกข์ในวัฏฏะอันนี้ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจบําเพ็ญคุณงามความดีให้ตั้งใจรักษาจิตใจของเรา ให้เข้าถึงอจถึงธรรมของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีจะถือว่าเป็นเรื่องเล่นเราตั้งใจมากกว่าจะเราจะได้มาเนี่มันน่านานแสนนานกว่าเราจะได้มาใช้เวลาพยายามอยู่ขัดข้องอัไหนล้วก็ว่างหมดวางหมดทุกอย่างปัจจุบันนี้เราไม่มีอะไรเลยนี่มีแต่ลมหายใจเข้าออกตอนเองไม่มีสมบัติอะไรก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลยนี่มีแต่บุญเท่านั้นเองอยู่ในตัวเราที่จะเราจะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพน้นนี่แหละอุทานการกุศลของเราเท่านั้นเป็นตัวหนุนตัวส่งตัวเสริมให้เราถึงความสุขความเจริญไม่ใช่หมอดูจะดูว่เาเราตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นรักนั้นเป็นอันนี้อะไรต่างๆที่ตามโหนเขาดนะูอันนั้นมันไม่จริงหรอกเราอย่าไปสนใจเลย ้สนใจว่าเราสามารถมีสติอยู่กับลมได้ไหมนานแหละคือบุญของเราเลยนะถ้าเราสามารถมีลมมีสติอยู่กับลมหายใจเราสามารถพิจารณาให้เห็นมีแต่โครงกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยเอาพิจาณาเห็นเอากินที่สงบไปพิจารณาแล้วก็เห็นอันนี้เป็นความดีของเราที่จะทำกิจของเราให้บริสุทธิ์ได้ก็เป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัต อย่าท้อถอยบุญนั่นแหละให้เราถึงซึ่งความสุขความเจริญถ้าไม่มีบุญเราไม่ถึงความสุขความเจริญหรอกถ้าเรามีบุญมีทานมีศีลมีภาวนาเราสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลได้เราพ้นทุกข์ได้แน่นอน เรามีโชคมีลาบแล้วเกิดมาชาตินี้ภพนี้ไม่ผิดรงหรอกขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปให้พิจารณาตัวตนของเรานี่ลงจนเห็นเป็นแต่เท่าแต่ฝุ่นไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เราได้ไปคือมรรคนิพพานสิ่งที่เราได้ไปคือบุญกุศลสินฐานของเราที่เราได้ไปนอกนั้นเราไม่ได้อะไรเลย ให้ตั้งใจอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วจะเห็นความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่างแน่นอน